พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสี่วรรคที่สองอนุปท h วร์หมวดว่าด้วยธรรมะตามลำดับบทอนุปท h สูตรว่าด้วยความพร่งพร้อมในเีลสมาธิปัญญาของพระสารีบุตรตรัสถึงพระสารีบุตรว่าถึงพร้อมทุกด้านดังโอรสเกิดแต่พระโอษของพระองค์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 ภิกษุทั้งหลายเพียงกึ่งเดือนสาวรีบุตรก็เห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทได้ในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทด้วยอำนาจสมาบัติและอำนาจองค์ฌานของสาวรีบุตรนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้รูปประชานทสีและอรูปปาจนสีภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้สารีบุตร สังกัดจักรการและอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์ปีติและสุอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็ธรรมะในปฐมฌานคือวิตกความตรึกวิจารณ์ความตรองปีติความอิ่มใจสุขจิตเตกะขะตาความที่จิตมีอารมณ์เดียวผัสสะความถูกต้องสัมผัสเวทนา ความสวยอารมณ์สัญญาความหมายรู้เจตนาความจงใจวิญญาณความรู้แจ้งฉันทะความพอใจอธิโมกความน้อมใจเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้อุเบคาความวางเฉยมณสิการความใส่ใจ ทั้งหมดเหล่านั้นสาวรีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วธรรมะที่สาวรีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสาวรีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าธรรมะเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้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 แต่ละชั้นต่อมาโดยในญยะเดียวกันคือทุติยชาญตติยชาญจตุตถาชาญอากาสานัญญาตนะวิญญาณัญจาตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะโดยลําดับตรัสว่าเมื่อพระสารีบุตรเข้าถึงแต่ละขั้นก็เห็นว่าธรรมะในชาญนั้นๆย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไปจึงไม่ยินดียินร้ายในธรรมะนั้นและเห็นว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่มีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทาธรรมะนั้นให้มากขึ้นตรัสต่อไปว่าสารีบุตรบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอจึงสิ้นไป สารีบุตรนั้นมีสติออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาเห็นธรรมะที่ล่วงไปดับแปรพันไปแล้วว่าได้ยินว่าธรรมะเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสปัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วรากได้แล้วในธรรมะเหล่านั้น มีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำธรรมะนั้นให้มากขึ้นภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมภิกษุรูปใดว่าเป็นผู้ถึงวสี